การระลึกรู้ทำอย่างไร 6.1 มนุษย์โดยทั่วไปสามารถระลึกรู้ปัจจุบันอารมณ์ได้อยู่แล้วตามธรรมชาติเช่นในขณะนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนก็ทราบได้ในขณะนี้มีความสุขหรือความทุกข์หรือเฉ ย, เฉย ก็ทราบได้ในขณะนี้มีความรักโลภโกรธหลงสงสัยฟุ้งซ่านหดหูเกียดคร้านศรัทธาวิริยะหรือมีความสงบก็ทราบได้แต่มนุษย์มีจุดอ่อนสองประการคือ 1. มนุษย์มักละเลยที่จะรู้ปัจจุบันอารมณ์เพราะมัวแต่หลงอยู่กับเรื่องราวอันเป็นความคิด หรือหลงอยู่กับสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นทั้งหลายจนลืมกายลืมใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันของตนและสองมนุษย์มักรู้อารมณ์เหล่านั้นด้วยความหลงผิดคือแทนที่จะเห็นปรมาธอารมณ์ซึ่งเป็นของจริงกลับเห็นแต่อารมณ์บัญญัติอันเป็นความคิดฝันของตนเองเช่นคิดว่าเรายืนเราเดินเรานั่ง เรานอนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วรูปหรือก้อนธาตุต่างหากที่ยืนเดินนั่งนอนหรือคิดว่าเรากำลังโลภโกรธหลงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนามหรือจิตต่างหากที่กำลังโลภโกรธหลงทั้งนี้เพราะมองไม่เห็นปรมาอารมณ์หรือสภาวธรรมที่แท้จริง คือรูปกับนามแต่คุ้นเคยว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราซึ่งเป็นอารมณ์บัญญัติหรือสิ่งที่คิดเอาด้วยความเห็นผิดเท่านั้นเองแม้กระทั่งพวกเรานักปฏิบัติก็มักนึกไม่ถึงด้วยว่าการเจริญสติที่แท้จริงก็คือการใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี้เองไปรู้ปรมัตอารมณ์ที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันอารมณ์ แต่มักเกิดความเข้าใจผิดว่าการเจริญสติหรือการระลึกรู้นั้นเป็นสภาพอะไรอย่างหนึ่งที่พิเศษเหนือธรรมดาดังนั้นแทนที่จะใช้จิตใจธรรมดาไปรู้อารมณ์พวกเรากลับพยายามสร้างรู้แบบผิดธรรมดาขึ้นมาแทนและอารมณ์กรรมฐานที่ใช้อยู่ก็ไม่ค่อยถูกต้องนักด้วยหัวข้อนี้จะกล่าวถึงลักษณะของจิต ที่เหมาะแก่การเจริญวิปัสนาซึ่งเป็นจิตที่มีสติสัมมาสมาธิและปัญญาหรือที่นักปฏิบัติ บ, ตบางท่านเรียกว่าจิตรู้นั่นเอง 2> 6กการบ่งชี้สภาวะว่าการมีสติหรือการมีรู้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะเพียงแต่เราเติมความคิดเห็นของเราลงไปว่า มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจผิดทันทีแต่หากเรามาพูดกันถึงสภาวะของการรู้ที่ไม่ถูกต้องเสียก่อนซึ่งล้วนแต่เกิดจากตัณหาหรือความอยากและทิฏฐิหรือความเห็นผิดทั้งหลายเราก็จะเข้าใจถึงสภาวะรู้ที่ถูกต้องได้ไม่ยากนักสภาวะผิดพลาดที่สําคัญได้แก่ จุ 1> 1. รู้ไม่ใช่ไม่รู้หรือเผลอหรือลืมตัว 6.2.1.1 สภาวะรู้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสภาวะไม่รู้อันได้แก่ความเมือความเผลอความลืมตัวความใจลอยหรือความฝันกลางวันนั่นเอง เป็นสภาวะของการปล่อยจิตใจให้หลงเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายแม้กระทั่งเพลินไปในโลกของความคิดฝันและจินตนาการของตนเองตัวอย่างเช่นเมื่อตามองเห็นรูปบางอย่างแล้วเกิดจําได้ว่านั่นเป็นรูปผู้หญิงสวยผู้ชายหลอ่อก็มัวหลงเพลินมองตามอย่างลืมเนื้อลืมตัวหรือเมื่อนั่งอยู่คนเดียว ก็ใจลอยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆโดยบางคราวก็ทราบถึงเรื่องราวที่คิดแต่บางคราวก็ไม่รู้ชัดว่าคิดเรื่องอะไรเป็นต้น 6.2.1.2 สสภาวะที่เรียกว่าเผลอหรือลืมตัวนี้เป็นสภาวะที่เราลืมร่างกายของตนเองเหมือนกับว่ามันหายไปจากโลก รวมทั้งลืมจิตใจของตนเองคือในขณะนั้นจิตใจจะมีสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้กล่าวได้ว่าในเวลาที่เราเผลอหรือขาดสตินั้นเราไม่สามารถรู้กายเวทนาจิตและธรรมได้นั่นเอง 6.2.1.3 นดขณะใดที่เราเผลอ แล้วเกิดรู้ตัวว่ากําลังเผลออยู่ขณะนั้นความเผลอจะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ทันทีดังนั้นเพียงแค่รู้ว่ากําลังเผลอก็เกิดการรู้ที่ถูกต้องแล้ว 6.2.2 รู้ไม่ใช่คิด 6.2.2.1 สภาวะรู้ไม่เหมือนกับสภาวะคิดในขณะที่คิดนั้นเรารู้เรื่องที่กำลังคิดเป็นอย่างดีแต่เราลืมตัวเองคล้ายกับเวลาที่เผลอนั่นเองการรู้เป็นการตามสังเกตรปรากฏการต่างๆตามที่มันเป็นจริงในขณะที่การคิดเป็นการคาดว่าความจริงมันน่าจะเป็นอย่างไร แต่ทั้งนี้หากมีกิจจำเป็นต้องคิดเช่นต้องคิดเพื่อการเรียนหรือการทำงานเราก็ต้องคิดไปตามหน้าที่ของตน 6.2.2.2 นักปฏิบัติจานวนมากไม่เข้าใจการเจริญสติโดยมีความสำคัญผิดว่าการคิดหรือการตรึกตรองเรื่องกายและใจตนเองว่าเป็นอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา หรือเป็นรูปนามเป็นการทำวิปัสนาแท้จริงการเจริญสติหรือการเจริญวิปัสนาจะต้องรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงไม่ใช่การคิดถึงสภาวธรรมนั้นๆเพราะความคิดของปุุชนย่อมปนเปื้อนด้วยอากาติเสมอๆหรือคิดอยู่ในจุดยืนของความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิชนิดต่างๆเช่น คิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแต่จิตนี่เที่ยงพอร่างกายนี้ตายลงจิตก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่หรือคิดว่าตัวเรามีอยู่แต่พอตายลงก็ศูญไปเลยเป็นต้นการคิดพิจารณาไม่ใช่วิปัสสนาดังที่หลวงปู่เทศเทศะรังสีซึ่งเป็นสิทธิอวสสูรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้สอนไว้ว่าการคิดพิจารณากายว่าเป็นอสุภะก็เพื่อแก้นิวรณเป็นสมถะการคิดพิจารณาความตายหรือมรณะสติและการคิดพิจารณากายว่าเป็นธาตุเป็นขันก็เพื่อแก้อาการของจิตบางอย่างเป็นสมถะเช่นกันต่อเมื่อใดปฏิบัติจนถึงจิตถึงใจตนเองจึงได้แก่นสารของการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยก็เน้นย้ำเสมอว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดและหลวงปู่ดูลอัอตุโลก็สอนไว้ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ซึ่งตรงกับพระประยิยติธรรมที่ระบุว่าอุทยพยญาณยา การเป็นวิปัสนาญาณเบื้องต้นนั้นต้องปลอดจากความคิด 6.2.2.3 ในขณะใดที่เราคิดแล้วเกิดรู้ตัวว่ากําลังตั้งอกตั้งใจคิดอยู่ขณะนั้นความคิดจะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ทันทีดังนั้นเพียงแค่รู้ว่ากําลังคิด ก็เกิดการรู้ที่ถูกต้องแล้ว 6.2.3 รู้ไม่ใช่การตั้งท่าปฏิบัติ 6.2.3.1 รู้ไม่มีการตั้งท่าก่อนจะรู้แต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเมื่อคิดจะปฏิบัติทำก็ต้องรีบตั้งท่าปฏิบัติ เพราะไปแปลความหมายของการปฏิบัติว่าเป็นการกระทำทั้งที่การปฏิบัินั้นไม่ต้องทำอะไรมากกว่าการรู้รูปนามที่กำลังปรากฏเข้าไปตรงๆ ต, ตามธรรมชาติธรรมดาเช่นเดียวกับเมื่อเราต้องการดูภาพตรงหน้าเราก็แค่ลืมตาขึ้นดูเท่านั้นหรือเมื่อถูกยุงกัดจนเกิดความคันเราก็แค่รู้สึกว่าคันเท่านั้น สภาวะรู้ที่เป็นธรรมชาตินั้นเรามีอยู่แล้วแต่เพราะไม่เข้าใจหลักการเจริญสติเราจึงตั้งท่าปฏิบัติเหมือนนักวิ่งร้อยเมตรที่กำลังเข้าเส้นสตาร์ทคือเกรงทั้งกายและจิตใจแทนที่จะรู้อารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าไปอย่างสบายๆตามธรรมชาติธรรมดา 6.2.3.2 เมื่อคิดปฏิบัติธรรม นักปฏิบัติมักบังคับใจตนเองและเริ่มสร้างพฤติกรรมของจิตบางอย่างเช่นการใช้สติจ้องมองดูจอภาพในใจของตนแล้วเที่ยวควานหาหรือสแกนอยู่ในจอภาพนั้นเพื่อหาอะไรสักอย่างเอามาดูหรือการส่งจิตออกไปนิ่งอยู่ข้างหน้าและคอยดูสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะเป็นการปฏิบัติไปด้วยตัณหา คือความอยากจะปฏิบัติธรรมและทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เรารู้ธรรมหกามเมื่อคิดปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติบางท่านที่นิยมใช้รูปหรือกายเป็นอารมณ์กรรมฐานมักเริ่มด้วยการแทรกแซงพฤติกรรมตามธรรมชาติของกายเช่น เมื่อคิดจะรู้ลมหายใจก็เข้าไปควบคุมจังหวะการหายใจเมื่อคิดจะรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ไปกาหนดจังหวะการเคลื่อนไหวของมือเท้าและท้องบ้างการกระทำเหล่านี้ไม่ผิดถ้าเป็นการทำสมถะหรือต้องการใช้กายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติก่อนพัฒนาไปสู่การรู้ที่แท้จริงแต่ถ้าจงใจก่อพฤติกรรมทางกายโดยคิดว่า นั่นคือการเจริญสติและรู้ไม่ทันตัณหาและทิฏฐิที่กำลังครอบงำจิตจนก่อพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นมานั่นก็เป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงมากอีกประการหนึ่ง 6.2.3.4 ความจริงแล้วถ้าเราเจริญสติหรือรู้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เราไม่จําเป็นต้องตั้งท่าอะไรเลยไม่ว่าทางจิตหรือทางกายเช่นเมื่อตาเห็นรูปก็รู้รูปหรือสีนั้นหากจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายต่อรูปก็รู้ทันอีกหรือขณะนี้อยู่ในอิริยาบถใดก็รู้ไปเลยเช่นเมื่อยือนอยู่ก็รู้ว่าวัตถุก้อนนี้ยือนอยู่ยืนแล้วเมื่อย อยากเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้ทันความอยากของตนเองรู้ทันแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันจําเป็นก็ได้หรือจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อดูความจริงของทุก เ, เวทนาไปก่อนก็ได้หรือนั่งอยู่เฉยๆเกิดความคิดแล้วรู้ว่าจิตคิดก็ได้หรือเมื่อคิดแล้วจิตเกิดกุศลหรืออกุศลอย่างใดก็รู้ไปเลยก็ได้เป็นต้น 6.2.3.5 อย่างไรก็ตามหากนักปฏิบัติคนใดไม่สามารถรู้ปัจจุบันอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาได้ก็ไม่ต้องตกใจในเบื้องต้นจะตั้งท่าปฏิบัติซะก่อนก็ได้เช่นถ้าจิตฟุ้งซ่านนักก็ทำความสงบเข้ามาก่อนแต่ต้องระวังอย่าให้เคลิ้มลืมตัวและอย่าให้เครียดขึ้นได้ให้รู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งไปอย่างสบายสบาย จะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้แม้กระทั่งการรู้คำบริกรรมก็ได้เมื่อจิตใจสงบสบายแล้วจึงค่อยระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปตามธรรมชาติธรรมดาอีกชั้นหนึ่งหรืออาจจะเริ่มจากการรู้ท้องผองยุบรู้การเดินจงกรมรู้การเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะเป็นต้นรวมความแล้วในเบื้องต้นจะทากรรมฐานใดก็ได้ แล้วจึงค่อยพัฒนาไปสู่การรู้แบบไม่ตั้งท่าหรือไม่จงใจต่อไป 6.2.3.6 ขณะใดเราตั้งท่าปฏิบัติแล้วเกิดรู้ตัวว่ากำลังตั้งท่าขณะนั้นการตั้งท่าจะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ดังนั้นเพียงแค่รู้ว่า กำลังตั้งท่าก็เกิดการรู้ที่ถูกต้องแล้ว 6.2.4 รู้ไม่ใช่กำหนดรู้ 6.2.4.1 รู้ไม่ใช่การกำหนดรู้ หรือการตรึกพิจารณาอารมณ์ว่าเป็นรูปนามแต่เป็นการระลึกรู้หรือมณสิการปัจจุบันอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานักปฏิบัติจำนวนมากคิดว่ารู้คือการกำหนดรู้เพราะมักได้ยินคาพูดเกี่ยวกับการกาหนดรูรูปนามหรือการกำหนดรู้ปัจจุบันอารมจึงคิดว่าการรู้ต้องมีการกระทาคือการกาหนด หรือการพิจารณาด้วยดังนั้นพอรู้อารมณ์แล้วจึงรีบบริกรรมต่อท้ายการรู้ทันทีเช่นยกหนอย่างหนอโกรธหนอเสียงหนอนี่คือการบริกรรมไม่ใช่การรู้เบื้องต้นอาจจำเป็นสำหรับบางท่านที่ต้องบริกรรมก่อนแต่พึงทราบว่าจะหยุดการปฏิบัติอยู่ในขั้นการตามบริกรรมไม่ได้ เพราะยังไม่ใช่วิปั ส, สนาหรือบางท่านนิยมการพิจารณากํากับซ้ำลงไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่การรู้เช่นกันเช่นเมื่อตาเห็นรูปตามธรรมชาติแล้วก็จงใจพิจารณารูปซ้ำลงไปอีกว่ารูปนี้เป็นเพียงสีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือพิจารณาว่าสีเป็นรูปรูปเป็นนาม อันเป็นการกระทําด้วยความจงใจกำหนดและเป็นการกระทําตามหลังการรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันจึงยังไม่ใช่การรู้ที่บริสุทธิต์ตามธรรมชาติธรรมดา 6.2.4.2 แท้จริงคำว่าสติในพระไตรปิฎกแปลว่าความระลึกได้และในพระอภิธรรมอธิบายเพิ่มเติมว่า สติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะรวมทั้งบอกด้วยว่าสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่พวกเราชั้นหลังชอบไปแปลคาว่าสติว่าการกาหนดรู้ทั้งที่การกําหนดไม่ใช่ความระลึกได้แต่เป็นการจงใจกระทําสิ่งบางสิ่งที่เกินจากการรู้ด้วยอำนาจบ่งการของโลภเจตนา และเจือด้วยทิติว่าการกำหนดคือการเจริญวิปัสสนาทั้งที่การกำหนดนั้นเจือด้วยความคิดซึ่งจะเป็นวิปัสสนาไปไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งการกำหนดนอกจากจะไม่ใช่สติแล้วยังไม่ได้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติด้วยแต่การกำหนดรู้สภาวะธรรมเนืองๆ ห, หรือการเจริญสติปฐานต่างหากที่เป็นเหตุให้จิตจดจาสภาวะธรรม คือรูปนามได้แม่นยำแล้วเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้น 6.2.4.3 ขณะใดที่เรากำหนดรู้แล้วเกิดรู้ตัวว่ากำลังจงใจกำหนดรู้ขณะนั้นการกำหนดรู้จะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ทันทีดังนั้นเพียงแค่รู้ว่า กำลังกำหนดรู้ก็เกิดการรู้ที่ถูกต้องแล้ว 6.2.5 รู้ไม่ใช่เพ่ง 6.2.5.1 รู้ไม่ใช่การเพ่งแต่นักปฏิบัติจำนวนมากชอบเพ่งแม้แต่คนที่ไม่ชอบทำสมถะ เพราะอยากจเจริญวิปั ส, สนายอย่างเดียวก็มักเพ่งโดยไม่รู้ทันจิตใจของตนเองแท้จริงการเพ่งเป็นสภาวะที่สืบเนื่องมาจากการจงใจและการตั้งท่าปฏิบัติคือพอคิดถึงการปฏิบัติก็จงใจปฏิบัติแล้วเกิดการตั้งท่าปฏิบัติมีอาการสํารวมกายใจเข้ามาให้มั่นคงถัดจากนั้นจึงเพ่งหรือจดจ้องอย่างเอาเป็นเอาตายต่ออารมณ์ทั้งหลาย เป็นผลให้ลืมตัวและบางคนจิตใจด้านชาไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์ตามที่ควรจะเป็นหรือบางคนจงใจเพ่งรูปจนลืมนามจะรู้สึกว่าสิ่งทั้งปวงเคลื่อนไหวเกิดดับแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้ยกเว้นแต่มีสภาวะบางอย่างที่นิ่งว่างคงที่อยู่กลายเป็นเห็นว่าสิ่งทั้งปวงตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์ยกเว้น จิตเท่านั้นที่เที่ยงหรือบางคนจงใจเพ่งนามคือช่องว่างแล้วเป็นหลงแช่อยู่กับความว่างนั้นไม่สามารถเจริญปัญญาต่อไปได้หรือบางคนพอรู้กิเลสใดก็เพ่งใส่พอกิเลสนั้นดับไปเพราะเหตุของมันดับก็เกิดความสาคัญผิดว่าเราสามารถดับกิเลสได้ทุกครั้งหรือบางคน พอรู้อารมณ์แล้วก็หลงเพ่งจ้องเอาสติตามจี้อารมณ์ที่เคลื่อนหนีลึกเข้าไปภายในนี่ก็เป็นการเพ่งเหมือนกันแต่เป็นการตามเพ่งความปรุงแต่งที่เคลื่อนไหวได้ในจิตใจตนเองอันหนึ่งการเพ่งนี้ถ้าไม่จงใจรุนแรงเกินไปก็ทำให้จิตสงบเป็นการทาสมาธาหรือสมาธิได้เช่นกันแต่มักไม่ใช่สัมมาสมาธิ ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำวิปัสสนา 6.2.5.2 วิธีทำความรู้จักกับการเพ่งไม่ยากเลยลองยกนิ้วหัวแม่มือของตนเองขึ้นมาแล้วเพ่งจ้องให้จิตใจจดจ่ออยู่ที่นิ้วนั้นอย่างเดียวเพียงไม่นานจะรู้สึกว่าเราเห็นแต่นิ้วหัวแม่มือเท่านั้น เพราะจิตจดจ่ออยู่ที่จุดเดียวนั้นด้วยความจงใจอันเกิดจากโลภะในขณะนั้นเห็นแต่นิว้วกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเวทนาคือความรู้สึกจะสุขหรือทุกข์ก็ไม่ทราบจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่ทราบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่หัวแม่มือก็ไม่ทราบรวมความแล้วจะทราบได้เฉพาะหัวแม่มือแต่ไม่ทราบกาย เวทนาจิตธรรมขอให้ผู้ปฏิบัติจำสภาวะของการเพ่งไว้ให้ดีเวลาที่จเจริญสติรู้อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ให้สังเกต ร, รู้ทันใจตนเองอย่าให้หลงไปเพ่งจ้องรูปหรือนามนั้นเหมือนที่จ้องหัวแม่มือตอนเองมิฉะนั้นจะเป็นการหลงธทมสมถะทั้งที่คิดว่ากําลังทาวิปัสสนาคือรู้รูปนามอยู่ 6.2.5.3 ขณะใดที่เราเพ่งแล้วเกิดรู้ตัวว่ากำลังเพ่งอยู่ขณะนั้นการเพ่งจะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ทันทีดังนั้นเพียงแค่รู้ว่ากำลังเพ่งก็เกิดการรู้ที่ถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่จิตติดสมถะมากนั้น แม้รั่วเพ่งอยู่การเพ่งก็ไม่คลายออกแต่หากรู้ทันจิตว่าอยากเลิกเพ่งก็อาจหลุดออกจากการจมแช่ในอารมณ์เพราะการเพ่งได้หากยังไม่หลุดอีกก็อาจต้องอาศัยอุบายเข้าแก้ไขด้วยการให้ลืมการปฏิบัติเสีั่วคราวเมื่อจิตหลงไปสู่อารมณ์อื่นเช่นหลงไปในเรื่องราวที่คิดแล้วการเพ่งจะดับลงโดยอัตโนมัติ แล้วค่อยรู้ทันว่าหลงไปแล้วจิตจะเกิดการรู้ที่ถูกต้องขึ้นได้การที่ต้องกล่าวถึงอุบายแก้การเพ่งทั้งที่ผู้เขียนไม่นิยมการใช้อุบายแต่นิยมให้ปฏิบัติไปตามหลักการของวิปัสสนาคือการรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็เพราะผู้ปฏิบัติจำนวนมากติดการเพ่งจนแทบถอนตัวไม่ขึ้นและไม่อาจหลุดออกจากการเพ่งได้เป็น 10, 10ปี จึงจาเป็นต้องหาอุบายมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งหลักการสำคัญของอุบายแก้การเพ่งก็คือการเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์เดิมที่ติดอยู่เพียงเท่านี้จิตก็หลุดออกจากการเพ่งได้แล้ว 6.2.6 รู้ไม่ใช่น้อม 2.6.1 รู้ไม่ใช่การน้อมเพราะอาการน้อมก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่นักปฏิบัติจำนวนมากชอบทำกันมันเป็นการเสแสร้งแกล้งทำขึ้นมาเมื่อคิดว่าจะปฏิบัติทำเช่นเดียวกับการเพ่งเพียงแต่การเพ่งมุ่งจะรู้อารมณ์อันเดียวให้ชัดและพยายามตรึงอารมณ์นั้นไว้ส่วนการน้อมเป็นการหลีกหนีอารมณ์ เข้าหาความสงบสุขเคลือบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเพราะต้องการให้จิตสงบกลายเป็นการปฏิบัติด้วยโลภะจนจิตเกิดราคะเพลิดเพลินในความสงบสุขหรือเกิดความซึมเซาคือถีนามิทะขึ้นวันใดซึมได้ที่หรือเคลิมได้ที่ก็สําคัญผิดว่าวันนั้นปฏิบัติ ด, ดีวันใดปฏิบัติแล้วไม่ซึมหรือเคลิ้มก็เสียใจว่าวันนั้น ปฏิบัติได้ไม่ดีการน้อมจิตนี้นักปฏิบัติบางท่านจะมีอุปกรณ์ช่วยคือการเปิดเทศธรรมะคลอไปด้วยระหว่างนั่งสมาธิจะช่วยน้อมจิตให้ซึมได้ที่คือครึ่งหลับครึ่งตื่นได้โดยเร็ว 6.2.6.2 ดขณะใดที่เราน้อมจิตเข้าหาความสงบแล้วเกิดรู้ตัวว่า กำลังน้อมจิตอยู่ขณะนั้นการน้อมจะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ทันทีดังนั้นเพียงแค่รู้ว่ากําลังน้อมก็เกิดการรู้ที่ถูกต้องแล้ว 6.2.7 รู้ไม่ใช่จงใจรู้อะไร รู้ไม่ใช่จงใจจะรู้อะไรดังนั้นถ้านักปฏิบัติคนใดถามว่าที่สอนให้รู้นั้นควรจะรู้อะไรหรือควรจะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทั้งตัวตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าผู้ที่ยังสงสัยเช่นนี้แสดงว่ายังไม่รู้จากการรู้ที่แท้จริงเพราะการรู้แท้จริงนั้นไม่มีความจงใจว่า จะเลือกรู้สิ่งหนึ่งแล้วไม่รับรู้สิ่งอื่น <_ d ata> เนื่องจากความจงใจเหล่านั้นเป็นไปเพราะตัณหาและทิฏฐิล้วนๆ 6.2.7.2 การรู้คือสภาพที่จิตตื่นขึ้นจากโลกของความคิดความฝันทั้งนี้คนส่วนใหญ่จะตื่นเฉพาะร่างกายแต่ใจยังหลับฝันอย่างที่เรียกว่าฝันกลางวัน ภาวะรู้คือภาวะที่จิตตื่นจากความฝันจิตมีความตื่นตัวพร้อมที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งปวงที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อรู้อารมณ์แล้วก็พร้อมที่จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์นั้นตามธรรมชาติและยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถรู้เท่าทันปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีด้วย รู้ชนิดนี้ไม่มีความจงใจว่าจะต้องรู้อารมณ์ใดแต่อารมณ์ใดปรากฏทางทวารใดก็รู้อารมณ์นั้นอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยไม่หลงไปกับอารมณ์นั้นนี่แหละคือความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่พยายามรู้ตัวทั้งตัวเพราะนั่นเป็นความจงใจกระจายความรู้สึกไปจับที่กายทั้งกาย 6.2.7.3 ขณะใดที่เราจงใจแล้วเกิดรู้ตัวว่ากำลังจงใจอยู่ขณะนั้นความจงใจจะดับไปและจะเกิดสภาวะของความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่ทันทีดังนั้นเพียงแค่รู้ว่ากำลังจงใจก็เกิดการรู้ตัวที่ถูกต้องแล้ว 6.3 สรุปแล้ว ขณะใดพยายามจะรู้หรือแสวงหาการรู้ที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งการพยายามรักษารู้ให้ต่อเนื่องขณะนั้นเราจะพลาดไปสู่ความหลงผิดทันทีเพราะการกระทำใดๆที่เกินจากการรู้ตามปกติอันเป็นการกระทำด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐินั่นแหละเป็นเครื่องปิดกั้นความสามารถในการระลึกรู้อารมณ์ซึ่งมีอยู่แล้วเอาไว้อย่างสนิทที่สุด ดังนั้นไม่ควรพยายามทํารู้ให้ถูกต้องขณะใดรู้ว่ารู้ผิดขณะนั้นจะเกิดการรู้ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติแต่มีนักปฏิบัติจำนวนมากทีเดียวที่แม้จะได้ฟังคาสอนเกี่ยวกับการเจริญสติหรือการระลึกรู้แต่ก็ยังปฏิเสธที่จะระลึกรู้สภาวะธรรมที่กาลังปรากฏไปตามธรรมชาติเพราะมีความคิดเอาเองว่า ตนเองยังมีบุญวาสนาน้อยขอทำบุญทำทานไปก่อนหรืออินทร์ตัวนั้นตัวนี้ยังอ่อนเกินไปหรือยังไม่สมดุลกันจะต้องพัฒนาอินทร์ก่อนเช่นจะต้องเพิ่มปัญญาให้สมดุลกับศรัทธาเพิ่มสมาธิให้สมดุลกับวิริยะทั้งนี้เพราะไม่ทราบว่าหากจะเริญสติหรือรู้ได้แล้วนั่นแหละจะทำให้อินทร์ทั้งหลาย แก่กล้ายิ่งขึ้นและสมดุลกันด้วย